เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทําทุระของพุทธศาสนิกชนที่พระบรมศาสดาพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้หเพื่อจะได้เป็นเครื่องนําทางพาไปสู่การสิ้นสุด แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่แดนแห่งความเกษมสำราญของพระนิพพานปรมังสุขขังแดนแห่งบร ม, มสุขแดนที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นแดนที่ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปตราบใดที่ยังต้องไปเกิด ก็ยังจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดรากจากกันเป็นเรื่องของพบชาติไม่ว่าจะพบที่ละเอียดหรือหยาบพบที่สูงหรือต่ำดีหรือชั่วก็เป็นเหมือนกันหมดอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือ มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แ้วดับไปเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาเพราะไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายนั่นเองแต่ถ้าเราได้น้อมนำเอาธุระที่พระบรมศาสดาได้มอบหมาย ให้แต่พวกเรามาทำเป็นธุระสำคัญเป็นธุระจำเป็นรับรองได้ว่าไม่นานเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสวากขาโตภะวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ทรงตัดไว้ชอบแล้วเป็นคำสอนที่ตรงกับความจริงทั้งส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผลส่วนที่เป็นเหตุก็คือการกระทมธุระที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายไว้ผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกจากภพชาติ ไปตามลาดับเป็นสิ่งที่เป็นความจริงถ้าเหตุถึงเมื่อไหร่ผลก็จะถึงเมื่อนั้นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าปลูกต้นไม้บารุงต้นไม้ดูแลรักษาต้นไม้ให้ดินให้น้าให้ปุ๋ยอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ไม่นานต้นไม้ก็จเจริญงอกงามออกดอกออกผลตามลำดับต่อไปนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจัดสรุทรงปฏิบัติพระองค์จนได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดรู้แล้วว่าภพชาติไม่มีอีกต่อไปเพราะผู้ที่ไป สร้างภพสร้างชาตินั้นถูกทำลายไปหมดแล้วจากจิตจากใจตัวที่สร้างภพสร้างชาตินี้อยู่ในใจของพวกเราการปฏิบัติของพวกเราต้องก็ต้องปฏิบัติเพื่อทำลายตัวที่ก่อภพก่อชาติซึ่งพระ อ, องค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าก็คือกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นเองความโลภความโกรธความอยากต่างๆ เป็นต้นเหตุที่จะนำพาไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีสิ้นสุดนะดังนั้นหน้าที่ของผู้ที่ปรารถนาการไม่ไปเกิดอีกต่อไปก็ต้องมาทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปตามที่ พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันได้ทำกันมาเป็นสิ่งที่ <c oughs> ทำกันได้ทุกคนไม่ยากเย็นอะไรขอให้มีศรัทธาความเชื่อขอให้มีวิริยะความอุสาหะภาคเปลียนขอให้เจริญสติอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะทำจิตใจให้เป็นสมาธิ แล้วก็พิจารณาธรรมะอยู่เรื่อยๆพิจารณาใจรักอนิจจงทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆแล้วไม่นานกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะหมดสิ้นไปอย่างแน่นอนดังนั้นเราควรที่จะน้อมรับทุระของพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนนี้ เข้ามาอย่างอย่างเต็มใจและพร้อมที่ปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ถ้าเราน้อมเข้ามาแล้วปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างที่เคยปรากฏขึ้นในสมัยพระพุทธการและในสมัยต่อมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่น้อมทุระของพ่พุทธศาสนาชนนี้เข้ามาปฏิบัติกันและสามารถบรรลุถึงผลได้เป็นจำนวนมากไม่อยู่เหนือวิสัยของพุทธศาสนิกชนถ้าอยู่เหนือวิสัยแล้วจะไม่เสียเวลาจะไม่ทรงเสียเวลามาสั่งสอนเพราะทรงเห็นว่า สัตว์โลกนี้มีความสามารถเกิดมามนุษย์แล้วมีความสามารถที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติให้ตนหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้พระอาริยรสงสาวลกทั้งหลายที่เรากราบไหว้บูชากันจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นอยู่แล้วว่าท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเราเกิดมา ก็มีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาอันแรงกล้าที่จะปฏิบัติอย่างไม่ท้อแท้อย่างไม่หยุดหย่อนจนในที่สุดก็ได้รับผล อยู่ที่ตรงนี้เองอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อดังนั้นขอให้เราจงน้อมเอาธุระที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้นี้มาปฏิบัติกันธุระนี้ก็มีอยู่สองธุระด้วยกันธุระข้อที่หนึ่งเรียกว่าคันธะธุระข้อที่สองเรียกว่าวิปัสสนาธุระ ทันทธุระก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านกำลังทํากันอยู่เดี๋ยวนี้การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆหรือการฟัง ธรรมะคำสอนผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะทางวิทยุโทรทัศน์หรือทางเครื่องเล่นเสียงต่างๆก็ถือว่าเป็นคันถับทุระคันถับทุระนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการศึกษาแผนที่ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง ที่เราต้องการไปกันได้เราต้องศึกษาแผนที่ก่อนต้องศึกษาว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนั้นจะต้องไปทางไหนเช่นออกจากบ้านจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาพอวางไปสู่ถนนใหญ่ก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างสมัยใหม่นี้เขาก็มี เครื่องนำทางติดอยู่ในรถยนต์เราเพียงบอกเครื่องนำทางว่าเราต้องการจะไปที่ไหนแล้วเขาก็จะบอกเราเวลาที่เรามาถึงทางแยกให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาให้ตรงไปพอถึงทางแยกไหนเขาก็จะบอกไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะพาให้เราได้ไปถึง จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันคันถับทุระนี่ก็เป็นเช่นนั้นเป็นการศึกษาแนวทางที่เราจะต้องดําเนินชีวิตของเราเพื่อพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแนวทางของการปฏิบัตินี้เรียกว่ามรรคมรรคนี้มีองค์แปดแต่โดยย่อท่านก็สรุปองรวมเป็นสข้อเป็นมรรคเหมือนกันคือหนึ่งทาง 2, สองศีลสภาวนา ทานศีลภาวนาเนี้เป็นเหมือนบันไดที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปตามลำดับมีขั้นที่หนึ่งมีขั้นที่สองแล้วก็มีขั้นที่สาขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าทานคือการให้ให้เราให้สิ่งต่างๆที่เรามีมากเกินความจำเป็น ที่เราไม่ต้องอาศัยที่เราจะไม่ได้ใช้มันอยากเก็บเอาไว้ตายไปควรจะตายแบบตัวเปล่าๆไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ทำทานอย่างแท้จริงถ้าตายไปแล้วยังมีสมบัติเหลืออยู่เป็นล้านร้อยล้านพันล้านอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ได้ทำทานเท่าที่ควร น่าเสียดายเพราะถ้าได้ให้ไปทั้งหมดนั้นจะเป็นการสร้างบุญบรารมีอย่างยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติขั้นที่สองได้อย่างสะดวกสบาย <c oughs> ก็คือการรักษาศีลถ้ายังใจยังมีความห่วงอยู่ในสมบัติต่างๆ ยังมีความอยากได้สมบัติต่างๆเพิ่มขึ้นการรักษาศีลก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเหมือนกับการที่ได้ตัดความยึดติดในทรัพสมบัติเข้าของได้ตัดความอยากได้ในสมบัติเข้าของต่างๆขอเพียงให้มีอยู่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น แล้วก็อยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบมักน้อยสันโดษมีปัจจัยสี่เท่าที่จำเป็นมีเสื้อผ้าไม่กี่ชุดก็พอมีบ้านหลังเล็กๆพอไว้หลบแดบหลบฝนก็พอมีอาหารรับประทานแบบชาวบ้านชาวบ้านก็พอมียารักษาโรค เท่าที่จำเป็นมีสี่สิ่งเหล่านี้ก็พอเพียงต่อการอยู่แล้วถ้าเราอยู่แบบเรียบง่ายอย่างนี้เราจะมีเวลาว่างเพื่อที่จะมาทําธุระทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเรายังอยู่แบบหรูหราอยู่แบบฟุ่มเฟือยอยู่แบบเทวดาเราจะไม่มีเวลามา ปฏิบัติมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะต้องหมดเวลาไปกับการหาเงินหาทองเพื่อมาสนับสนุนการอยู่แบบฟุ่มเฟือยอยู่แบบหรูหราอยู่แบบเทวดาความสุขที่เราได้จากการอยู่แบบนี้ก็ไม่มากมายแต่ความทุกข์นั้นก็ยังมีอยู่ และจะไม่หมดไปหลังจากที่เราตายไปแล้วเมื่อตายไปแล้วเวลากลับมาใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระศาสนาอีกหรือไม่ถ้าไม่ได้พบกับพระศาสนาก็เหมือนกับไม่ได้พบแผงที่ที่จะพาให้ตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไป อยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้าเราทำทานอย่างพระเวชสันดอมีอะไรที่ท่านไม่จำเป็นไม่ใช้ท่านให้หมดท่านเก็บไว้เพียงส่วนที่จำเป็นและเอาไม่มากเอาแบบมักน้อยสันโดษเอาแบบอยู่แบบเรียบง่ายเพื่อจะได้มีเวลามา บำเพ็ญงานขั้นที่สองและขั้นที่สามต่อไปพอบ่อยจากแบบนั้นแล้วให้แบบนั้นแล้วก็จะมีจิตใจที่มีความเมตตากรุณามีความคิดที่ดีต่อผู้อื่นการรักษาสิ่ก็จะไม่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรความโลภ ก, ก็ไม่ค่อยมีเพราะไม่อยากได้อะไรมากเท่าที่จำเป็น แล้วก็มีพอเพียงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแก่งแย่งชิงดีไปทำผิดศีลด้วยการช่อโกงก็ดีด้วยการลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ดีด้วยการโกหกหลอกลวงผู้อื่นก็ดีก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะจิตใจไม่คิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นทำอะไรจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเสมอ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นอยู่เสมอไม่คำนึงแต่ประโยชน์ของตนโดยถ่ายเดียวคนที่ไม่ชอบให้ทานนี้หรือให้ทานแบบเสียไม่ได้ให้ทานตามตามโอกาสเช่นวันเกิดวันตายวันเทศกาลต่างๆอย่างนี้เรียกว่ายังเป็นการให้ทานแบบเสียไม่ได้คนที่ให้ทานจริงๆนี้ ต้องให้อย่างสม่ำเสมอและให้จนไม่มีอะไรเหลือจะให้แล้วนั่นแหละจึงถือว่าเป็นผู้ให้ทานอย่างแท้จริงถ้าให้ทานแบบนั้นแล้วจิตใจจะเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาจะไม่คิดสร้างเวรสร้างกรรมสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นจะคิดแต่จะช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา เมื่อใจเป็นอย่างนั้นแล้วการที่จะระมัดสินนั้นก็จะไม่มีโดยปริยายไม่ต้องไปตั้งจิตรักษาสินไม่ต้องไปสมาทานสินเพราะในใจนี้ไม่คิดอยากจะทำผิดสินอยู่แล้วเพราะอาศัยการให้ทานนี้เป็นตัวทำให้จิตใจ มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั่นเองเมื่อใจไม่ไม่ได้ไปทำผิดศีลแล้วใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบในระดับหนึ่งก็จะทำให้เวลาที่จะบำเพ็ญสมถะภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบเป็นการกระทำที่ ง่ายดายไม่ยุ่งยากต่างกับคนที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลเวลาจะนั่งสมาธินี้นั่งไม่ได้เพราะใจจะมัววุ่นวายอยู่กับเรื่องการหาสิ่งต่างๆวุ่นวายกับเรื่องภัยต่างๆที่ตนเองไปสร้างไว้ด้วยการทำผิดศีลผิดธรรม จะไม่สามารถทาจิตใจให้สงบได้เลยดัยงนั้นสำหรับท่านที่อยากจะนั่งสมาธิอยากทำจิตใจให้สงบแต่รู้สึกว่าทำได้ยากเย็นเหนือเกิน <c oughs> ก็ขอให้ย้อนกลับมาดูที่ศีลของเราว่าเรามีศีลไหมเรามีจิตใจที่ดีต่อผู้อื่นหรือไม่เวลาเราทำอะไรเราคิดถึง ความเดือดร้อนของผู้อื่นหรือไม่เรายังหวงแหงสมบัติเข้าของเงินทองอยู่หรือไม่เราให้บุญให้ทานมากน้อยเพียงไรเราต้องดูตรงนี้ <c oughs> ถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าในการบำเพ็ญจิตตภาวนาเราต้องมีฐานที่สนับสนุนเราฐานที่สนับสนุนเราก็คือศีลและฐานนี้เอง เหมือนกับการสร้างบ้านเวลาสร้างตึกสูงๆถ้าเราไม่ตอกเสาเข็มดินที่จะรองรับตึกสูงๆนั้นจะไม่มีกำลังมากพอสร้างไปได้ไม่กี่ชั้นมันก็จะเอน็นแล้วก็ล้มลงมาเพราะดินรับน้ำหนักของตัวอาคารไม่ได้เวลาสร้างอาคารสูงๆจึงมีการตอกเสาเข็มเสมอ การตอกเสาเข็มนี้ก็เป็นเหมือนกับฐานที่เราทำกันนี้เองการให้ฐานนี้เป็นเหมือนกับการตอกเสาเข็มเพื่อให้ดินนี้พื้นดินนี้มีกำลังที่จะรับน้ำหนักของอาคารได้พอเราตอกเสาเข็มพอเพียงกับน้ำหนักของอาคารแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องสร้างรากฐานเพื่อรองรับน้ำหนักอีกครั้ง มีฐานเพื่อจะรองรับเสาที่เราจะสร้างขึ้นไปฐานนี้ก็ต้องมีกำลังที่จะรับน้ําหนักที่จะส่งมาทางเสาฐานนี้ก็ต้องใหญ่ต้องหนาต้องกว้างพอกับน้ําหนักของตัวอาคารฐานนี้ก็เป็นเหมือนกับศีนนี่เองเราจึงต้องมีทั้งฐานและมีทั้งศี ศีลจะมีได้ก็ต้องมีทานก่อนทานจะมีได้ก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อในการให้ทานว่าเป็นการได้มากกว่าการเสียสิ่งที่เราเสียไปนี้ไม่มีค่าอะไรเมื่อเปรียบกับสิ่งที่เราจะได้มาคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้บรรลุมถึงพระนิพพานนี้มีคุณค่ามากกว่าสมบัติ ส่อให้กองเท่าภูเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่สามารถปลดเปลื้องใจให้หลุดพ้นจากกองทุกได้ไม่สามารถปลดเปลื้องให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นมหาจากักรพรรดิมีสมบัติกองเท่าภูเขาเวลาตายไปสมบัติเหล่านั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้เลย และถ้าได้ทำบาปกรรมทำผิดศีลผิดธรรมเพื่อให้ได้สมบัติเหล่านั้นมาเช่นไปทำสงครามอย่างพวกกษัตริย์ทั้งหลายทำสงครามแล้วก็ได้เอาเงินทองต่างๆจากผู้ที่พ่ายแพ้มาเป็นสมบัติของตนอย่างนี้ก็เป็นการทาผิดศีลอย่างร้ายแรงฆ่าผู้อื่นเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นทรัพย์ของตนเอง ถึงแม้จะมีสมบัติกองเท่าภูเขาเวลาตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในนรกไปเกิดเป็นเดราาัจฉานไปเป็นเปรตจึงไม่คุ้มเลยที่จะมีทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองที่ได้มาจากการทำผิดศีลผิดธรรมถ้ายังมีกิเลสยังอยากได้ทรัพย์สมบัติอยู่ ก็ควรที่จะหามาโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมและการจะหามาได้โดยไม่ผิดศีลผิดธรรมนี้ใจต้องมีความเมตตาใจต้องทําบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆมีสมบัติเท่าไหร่ก็ควรจะแบ่งมากับการให้ทานบ้างเช่นอย่างน้อยซะให้ได้สักครึ่งหนึ่งอย่างนี้ใจก็จะมีจิตที่เมตตา พอที่จะรักษาไม่ให้ไปทำผิดศีลผิดธรรมได้ถึงแม้ยังอยากจะได้เงินมากขึ้นก็ยังหามาได้แต่จะหามาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะเมื่อหามาได้แล้วก็จะแบ่งครุ่มหนึ่งไปแก่การให้ทานแก่การสงเคราะห์ผู้อื่นถ้าทำอย่างนี้ก็ยังไม่ขาดทุนตายไปก็ยังไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ตายไปก็ยังได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้เป็นเทพได้เสวยสุขเพราะได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีลอยู่เป็นปกตินั่นเองแล้วเมื่อกลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดร่ำรวยกว่าเดิมแล้วถ้ามีจิตเมตตามากขึ้นมีความสงบภายในจิตใจมากขึ้นต่อไปก็อยากที่จะทำจิตใจให้สงบมากขึ้น ก็จะสนใจต่อการทำทุระขั้นที่สามก็คือภาวนาสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาพอมีจิตใจที่สงบมีศีลมีฐานแล้วการบำเพ็ญภาวนาก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายสะดวกสะดวกรวดเร็วบางท่านนี่นั่งสมาธิเพียงหานาทีจิตก็รวมลงเข้าสู่อุเบกขา สักแต่ว่ารู้นี่แหละคือสมาธิที่แท้จริงจิตต้องรวมลงเหลือแต่จิตล้วนๆที่สักแต่ว่ารู้อยู่ตอนนั้นความคิดความปรุงแต่งต่างๆหายไปหมดความร่ความรู้สึกเกี่ยวกับร่างกายก็หายไปหมดเหลือแต่จิตล้วนๆอยู่มีแต่ความสุขที่พระ อ, องค์ทรงตรัสว่า เป็นเป็นความสุขที่เหนือความสุขอื่นๆใดในโลกนี่แหละพอได้เห็นกับความสุขแบบนี้แล้วทีนี้ก็จะเกิดกำลังใจเกิดศรัทธาที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้ต่อการสร้างความสงบแบบนี้ก็จะตัดภารกิจต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการภาวนานี้ให้หมดไปจะมุ่งสู่การบาเพ็ญ จิตตภาวนาโดยถ่ายเดียวผู้ที่อยู่ครองเลือนก็จะออกบวชกันผู้ที่บวชแล้วก็จะปล่อยวางภารกิจการงานอื่นๆเมื่อก่อนนี้คอยช่วยวัดวาสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างเจดีย์หาเงินหาทองมาพัฒนาวัดตอนนี้รู้แล้วว่างานที่แท้ จ, จริงนี้ต้องอยู่ที่การทําจิตใจให้สงบ ด้วยส ม, มถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาและการที่จะทําให้จิตสงบได้อย่างต่อเนื่องตลอดทุกอิเลยาบทั้งแต่ตื่นจนถึงหลับต้องมีเวลาอยู่ตามลําพังต้องปลีคุ้ยเวทมีเวลาที่จะบําเพ็ญสมถะภาวนาอย่างต่อเนื่องบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทํากิจกรรมอันใด จิตใจจะไม่ห่างจากการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วจิตใจจะมีความสงบอยู่ตลอดเวลาเมื่อสงบแล้วขั้นต่อไปก็ต้องสอนจิตใจให้ขุดคุยถอนรากถอนโคนของความโลภของความอยากทั้งหลายที่มีอวิชชาความไม่รู้หรือความหลง โมหะความหลงเป็นต้นเหตุทำให้โลภทำให้อยากได้สิ่งต่างๆเพราะไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่แล้วนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันก็ทุกข์กับสิ่งที่เรามี และสิ่งที่เราอยากได้กันสิ่งที่เรามีเราก็อยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดพอมันหายไปพอจากเราไปเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาขณะที่ยังไม่หายเราก็กังวลเราก็ห่วงเราก็หวาดกลัวกลัวว่ามันจะหายจากเราไปเช่นร่างกายของเราเราก็กลัวว่ามันจะตายไปสักวันหนึ่งจะตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ความหวาดกลัวกความกลัวตายนี้มันก็จะมีอยู่ในใจของเราเพราะเราหลงไปยึดติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเพราะเราไม่รู้จักไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนัตตาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราลองดูซิว่าร่างกายนี้มันเป็นของเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นของพ่อของแม่ไม่ใช่หรือ ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่จะมีร่างกายนี้มาได้อย่างไรพ่อของแม่ต้องผสมกันเอาเชื้อของพ่อของแม่มาผสมกันในท้องของแม่แล้วก็ค่อยจเจริญเติบโตขึ้นมาโดยอาศัยอาหารที่แม่หล่อเลี้ยงอยู่ในท้องอาหารที่แม่ได้มามาจากอะไรก็มาจากผักมาจากเนื้อมาจากน้ำมาจากนมสิ่งเหล่านี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้น ผักก็ต้องมีดินต้นไม้ก็ต้องมีดินสัตว์ก็ต้องกินหญ้าหญ้าก็ต้องมาจากดินทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากดินน้ำลมไฟแล้วมันก็มากลายเป็นอาการ32สองกลายเป็นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆแล้วพอคลอดออกมาก็รับประทานอาหารเพิ่มเข้าไปอาหารก็เป็นการเติมาธาตุเข้าไปนั่นเอง ติมดินน้ำลมไฟเข้าไปจนเติบใหญ่เป็นผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็แก่เท่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปพอตายไปเอาไปฝังมันก็กลับกายไปสู่ดินน้ำลมไฟเอาไปเผามันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมันเป็นตัวตนตัวเราของเราตรงไหนมันไม่มีมันไม่ใช่ ตัวใจตัวจิตที่มายึดมาครอบครองนั้นหลงไปว่าเป็นตัวเราของเราเท่านั้นเองนี่คืออวิชชาความไม่รู้จริงหรือโมหะความหลงที่เราต้องเจริญวิปัสสนาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามาจากลินน้ำลนไฟ แล้วก็จะกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาการที่จะเจริญวิปัสสนาได้ต้องมีสมถะคือความสงบเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีสมถะแล้วจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้เพราะขณะที่ใจไม่สง บ, บนี้กิเลสตัณหาจะออกมาเพ่นพ่าน จะมาคอยชวนให้ไปคิดเรื่องอื่นให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ไปอยากได้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาที่จะนั่งมานั่งวิเคราะห์เรื่องอนิจจังทุกขังมนณาตานี้จะทำไม่ได้เลยไม่เชื่อลองดูตัวเราเองดูชีวิตของเราเองว่าวันๆหนึ่งเราเคยคิดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอรณาตากันบ้างหรือไม่หรือเราคิดแต่เรื่อง หากินหานั่นหานี้หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้รักษาสิ่งนั้นรักษาสิ่งนี้พุ่นวายอยู่กับเรื่องทรัพสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่และที่เราอยากได้อยู่ไปในแต่ละวันไม่ได้สร้างปัญญาที่จะช่วยขุดลากอถอนโคลนความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจเลยเพราะใจไม่สงบนั่นเอง ถ้าใจไม่สงบแล้วกิเลสก็จะทำงานอยู่แต่ถ้าใจสงบแล้วกิเลสก็เหมือนกับถูกฉีดยาสลบมันจะไม่สามารถออกมาชวนให้เราไปอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อมันไม่ออกมาทำงานเรานำใจมาเจริญวิปัสสนามาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะอยู่กับการพิจารณาถ้าเราพิจารณาอย่างต่อนเนื่องพิจารณาบ่อย เราก็จะไม่ลืมเราก็จะรู้ว่าชีวิตของเราคือร่างกายของเรานี้ไม่ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปยึดไปติดก็จะทำให้ทุกข์ถ้าปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์ถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์มันจะแก่ก็ให้มันแก่ไปมันจะเจ็บไายได้ป่วยรักษาได้ก็รักษาไป รักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะตายถ้าป้องกันไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปถ้าปล่อยวางแบบนี้ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นใจก็จะมีแต่ความสุขสุขด้วยวิปัสสนาและสุขด้วยสมถะภาวนาสุขด้วยศีลสุขด้วยทานนี่คือขั้นบันไดแห่งการปฏิบัติ เพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขั้นต้นก็ต้องอาศัยคันธัทุระก่อนศึกษาก่อนว่าขั้นตอนของการปฏิบัติมีอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วว่ามีทานมีศีมีภาวนาก็ต้องดำเนินต่อไปทานก็ต้องให้มากๆให้จนไม่มีอะไรจะให้ถึงจะเรียกว่าให้จริงๆถ้าให้แบบเสียไม่ได้ให้เพื่ออยากจะได้มาอีกอย่างนี้ เรียกว่าให้แบบกิเลสให้แบบตัณหาบางท่านทำบุญให้ทานเพื่อหวังผลตอบแทนให้แล้วอยากจะร่ำอยากจะรวยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการให้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ให้ให้ทรงสอนให้ให้เพื่อไม่ให้ร่าให้รวยเพื่อให้พอมีพอกินพออยู่เท่านั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องมาทุกกับสมบัติเข้าของเงินทองเพื่อจะได้ไม่ไปทําบาปทํากรรม ในการป้องกัน ร, รักษาสมบัติเข้าของเงินทองถ้าใครจะมาขโมยก็ให้เขาไปไม่ต้องไปทำร้ายเขาขโมยขึ้นบ้านอยากจะได้อะไรก็ให้มันไปอย่าไปเอาปืนไปยิงเขาตายมันจะไม่คุ้มค่ากับการรักษาทรัพย์สมบัติเพราะเราจะเสียสมบัติที่ดีคือมนุษยสมบัติจะเสียเทวสมบัติไป เพราะจะต้องไปเกิดในนรกต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่คุ้มค่ากันถ้าเรามีจิตใจที่ให้อยู่แล้วเวลาขโมยขึ้นบ้านแล้วก็ให้เขาไปดีสิอีกไม่ต้องเสียเวลาขนไปให้เขาเขามารับถึงบ้านเลยคิดอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะมีความสุขไม่เสียใจกับการสูญเสียสมบัติเข้าของเงินทอง ไม่คิดจะทำร้ายผู้อื่นเพื่อรักษาสมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะมีทางมีศีลเพื่อสนับสนุนการภาวนาพอเราภาวนาได้แล้วใจก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างใจก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คืองานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้พวกเราทำกันทุระทั้งสองนี้คืองานคือทุระของพวกเรา จีงขอให้พวกเราจงทุ่มเทเ ว, เวลาและชีวิตจิตใจให้แก่ธุระสองประการนี้เถิดจะได้กำไรอย่างมากมายคุ้มค่าต่อการทุ่มเทเ ว, เวลาและกาลังจิตกาลังใจแต่ถ้าเราไปทุ่มเทให้กับเรื่องอื่นเรื่องสมบัติเข้าของเงินทองเราจะขาดทุนตายไปเราจะ เสียมากกว่าเราได้เราจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมจึงขอฝากเรื่องของการปฏิบัติทำหน้าที่ทำธุระทั้งสองประการคือคันธุระและวิปัสนาธุระนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป